ท่านสาตจนพุทธบริสัตตังหลายตอนนี้เป็นตอนที่ 2 ของ 15 ตอนที่ 2 นี้ก็จะขอเล่า อาจจะคิดว่าตอนบวชใหม่ๆก็จะเป็นพระที่ Loyal, zo. 2. al is de goed gekomen. Nu ga ik wel praten over cyberomicintangan. Ik wil afwijzen naar ik ook. Wat ben ik gekomen? Ik ga niet praten over corruptie. Ik ga niet praten over corruptie. Ik ga niet praten over corruptie. Ik ga niet praten Ik ga niet praten Ik ga niet praten Ik ga niet praten Ik ga niet praten Ik niet ไอ้แต่อติวัฒน์อสุงค์ในเองก็เหมือนกันก็ dat je wat van de kan de zongaardruk, dan kan wat van de zongaardruk, wat de zongaardruk, dan kan wat van de zongaardruk, dan kan je wat van de zongaardruk, dan dan de de de de ไม่ใช่นิทานเล่าสู่กันฟังว่าสมัยที่บวชใหม่ๆก็มีผ้าห่มไม่ดี อินทร์ศักดิ์สินต่างๆมันก็ดีหมดเห็นสาวๆก็ ไอ้ถามจะจะ 2 จะทําได้มั้ยท่านบอกว่าทํา ใช้ผ้า 3 ผืนอันภาษาไทยดีกว่าเอา 2 อย่างนี้ก่อน ย่อมกระทีวังควนก็ยอมที่ผ้าสมัยนั้นต้อง 1 ปีกินเข้าเวลาเดียวก็อาหารที่วัดบงโค <c oughs> พอปานยินต้องแกงหม้อใหญ่ <c oughs> แฮ้งบ้างพริกกินหนูบ้างอะไรอย่างเนี้ยทุกวันวันที่มีผักบุงก็ผักบุงมาต้มก็กินกับน้ําปลากับพริกพริกก็ๆก็ใช้ 1 ปีสังเกตดูแล้ว <c oughs> ระมาบัดจะกินๆเพราะว่าก็ยัง ทางทั้งนี้เจริญสมาธิกรรมฐานด้วยสมัยแรกก็ใช้ภาวนาวะพุทธโธอย่างเดียวเลยใช้กําลังวิปัสสนาญาณบ้างก็ไม่มากก็แค่ก็ทําแบบตกแก้วทองคุณทองแต่ว่าภาวนาไม่ไม่เลิกภาวนานี่ไม่เลิกแน่เดินไปเดินมาก็ เราว่ารวยไปจนกว่าจะกลับนึกในใจนะ <c oughs> การกินข้าวเวลาเดียวบางคนก็ถือว่าเคร่งคัดมัธยัสถ์แต่เนื้อแท้จริงๆแล้วก็กิเลสจะท่วมหัว แล้วถ้าบอกได้เค้าจะทํามันลําบากแล้วก็เป็นแล 3 ปีก็ยังกินเข้าเวลา <c oughs> วัตถุต่างๆก็ยังมีค่ามากสวย <c oughs> <c oughs> เอื้อนวันหนึ่งในระหว่างที่ยังจริงไม่จริงของข่าวนั้นไม่ญาติยงก็ถวายข้าวต้มข้าวต้ม พอชั้นที่ 2 อาจเปลี่ยนทันทีอาจเปลี่ยนอย่างนั้นญาติโยมตก บทต่างๆก็ยังสวยสดเหมือนงานตามเดิมอารมณ์ต่างๆไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนนั้นตามเรานี่ก็ไม่สามารถชนะ <c oughs> ก็มานั่งปรึกษากัน 3 องค์เพราะถ้าเราอยู่ต่อไปเราก็ขาด เวลานี้กิเลสทุกอย่างมันก็ห่มหันเราเรามันยายกิเลสใครเราศึกกันดีกว่า <c oughs> ไปหาท่านยกไว้แล้วบอกว่ายังไงจะไปหาไปเป็น <c oughs> แต่ที่เขาจ้องเธอหลายคนแล้วสักคนหนึ่งในจํานวนนั้นอาจจะชนะใจเธอเมื่อมันเมื่อเขาชนะใจเธอแล้วเธอก็ คน, คนแตแต 10 คนเดียวขันธ์ 5 2 คนเป็นขันธ์ 10 ต่อมาลูกออกมา 20. 20 30 40 ขันธ์ ความหวงใจที่คิดว่าจะตัดกิเลสแต่มันตัดไม่ออกกิเลสมันพอกมากขึ้นตัดสินใจเองก็ เมื่อมันทนไม่ไหวจริงๆอะแล้วก็ศึกศึกแล้วเรารับจ้างที่เดิมไม่ได้เราก็ทํามากินโตผักผมหญ้าไปตามเรื่องพระจริงๆเข้าไปได้ใน จะบิดนะอาตมาอาตองอื่นน่ะอาจจะดีก็ได้แต่ว่าผู้พูดนี่กิเลสมันท่วมหัวมาแล้วกินข้าวเวลาเดียว อย่างนี้กิเลสมันยังไม่หดเลยอรหันต์ถือมังสวิรัตเพื่อกินเจจริงๆกิเลสมันจะหดได้ยังไงเข้าทางกับเข้าเวลานี้มันดีมากกับข้าวเจนี่บางทีไม่รู้ว่าเจแม้ <c oughs> <c oughs> ก็ตัดสินใจว่านับแต่นี้ 3 ผืน 2 เอกาบางครั้งแล้ว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 ละกดตามหลังบ้านชาวบ้านเค้าก็ใส่บาตรถ้าองค์กฤตจะต้องเข้าป่าลึกค่าดีไม่เทวดาไม่ให้เข้ากิ๋นถ้าไหนขึ้นไหนจิตใจระบริสุทธิ์เทวดาจะใส่บาตรให้ก็เลยตัดสินใจบอกต้องการองค์กฤตครับทํามันอย่างจริงๆเอาจริงๆท่านก็เลยฝึกทุรดงให้อันดับแรกก็ฝึกทุรดง หาทางเป็นบาตรกับเทวดาโอ้แต่หาถึงเทวดา <c oughs> 15 วันต่อ 16 17, นับตาภาวนาอยู่เฉยๆพอจิตเป็นสุขพอ เห็นภาคพระโอ้โหท่านใหญ่พ่อรื้อยิ้งแชงมหาพุทธมหาพุทธเป็น <c oughs> พระมหาพูดกับบอกว่าคุณลืมตาได้แล้วเทวดาใส่ <c oughs> อันเข้ามากินมันมีรสหวานน้อยๆมีอร่อยชุ่มชื่นตอนนี้ก็ได้ทาน ตอนนี้ตอนแรกท่านมาเห็นตอนหลังน้อมนึกคิดเอาอีก <c oughs> 15 วันถ้าถามว่าในยาม <c oughs> ก็โคยะนครก็โคยะนครเขา 15 วันเสร็จท่านส่งไป อ๋อไม่มีวัดที่อาศัยไม่มีบ้าน 3 ชั่วโมงยิ่งไกลตักเข้าไปความหวังไม่มีที่พึ่งอารมณ์ใจก็ยิ่งเป็นเศร้า ก็คือว่ากลางวันทั้งทางที่อยู่ใกล้บ้านแสงไกลก็มีคนมาก็เป็นเพื่อนคนแต่คนที่ อัน 5 <c oughs> บางวังก็หาคนแก่ไม่ 18 ปีแต่เต็มตัวก็ 14 15 12 มาเป็นฝูงนําอะไรต่ออะไรมา พอเอินเธอทําแบบนั้นนะแล้วก็มีสังวนบอกเค้าแก่กว่านี้ผู้หญิงก็ยังทําผัวก็เลยนี่ทําไมแก่เท่านี้จะ รัฐว่าถ้ายังไม่อยากสิทธิ์ก็ไม่สิทธิ์ที่อยากสิทธิ์อะไรก็จะสิทธิ์ถ้าถามว่ามีกําหนดมั้ย ตัวไอ้หนังเหี่ยวแบบนี้ที่เมื่อกี้มันสาวผ่องใสอย่างแต่มือจะ <c oughs> ฉันก็คิดว่าที่ไม่ต้องการเธอเป็นเมียก็เพราะอะไรรู้มั้ยจะ <c oughs> ก็ปรากฏมีเสียงสาวคุยแม้เสียงแผกเสียงอ๋อยหวนเข้าเข้าอ๋อยหวนไม่ใช่เสียงผีนะเสียง เปิ้นก็บอกว่าไอ้เสือพวกนี้ เดิมมันมาเป็นฝูเนี่ยเค้าไม่ใช่เสือธรรมดาก็เป็นเสืออย่างวันซืนนี่แหละผมก็คิดว่าพวกวันซืนนี่ อําถ้ามันก็เสือมาไอ้เสือตัวหนึ่งรําคาญ ทำเมสภพเป็นสวยงามเขายังชั่วสําคัญหน้าตายิ่งลิ้มเพิ่มเราเสียงพระสัจญานิรนนแต่ถ้าเผลออะไรทีว่าฟ้าสื่อก็มาก een wat tien meer promihaan vier kop ton beribul. Langheid die na. En wat tien meer promihaan vier kop ton beribul. Een kan een. Een kan een. Een kan een. kan ยังมายมีมาใส่บาด Leben เดี๋ยวคนรับตัําแบบนี้เป็นทนไปม่า without my unpleasant being 그래서 �шиб screens Pascal became naturale Кายยังมายมีมาใส่บาดไทย ไม่nga Cenzt แต่ Daisuke adas นับตาม là ait more Xingheld Coldいました Events ธรรรม ปด้วยต่อertainตรง словette Feel like it, arrow post, Use that the ladies in a bent and settled self listening to the human bienness contestant events like this happened in the west's episode. ب View the Arab côates with so many different things się it was. HE felt as though from my own arriba Julia and Monty.offs live its very well Thanks again. Even the man asked that. Key��부 one of the คืออะไรบอกกันจะได้ไปเล่าให้บ้านฟังก็เออถ้ายังไงก็ดีนะว่างๆฉันจะ แกแกเลยบอกว่าอาศัยการใส่บาตรกับท่านแข็งก็ไม่รู้ว่าเวลาใส่บาตรท่านภาวนาอิติปิโสแต่ว่าเวลาพอก่อนจะตาย บรรดาโคทั้งหมดรู้นั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเอล่ะนี้ก็ทุกมากกว่าผลจง